ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไปเป็นการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าจำนวน40กว่าพระสูตรไว้ให้ท่านได้ศึกษาและใคร้ครวนพิจารณาตามเนื้อความแห่งธรรมในพุทธวั จ, จนะธรรมวินัยจากพุทธโอดชุดก้าย่างอย่างพุทธะคำอธิบายโดยพระอาจารย์คึกฤทิโสธิพโลวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิ อ่านพุทธวจนะโดยสันสนีนาคพงศ์เหตุที่ต้องมาศึกษาพุทธวจนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่าสุตตันตะเราใด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 เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนตตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนด้วยพุทธวจนะบทนี้ทำให้เราทราบว่า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 หันไปถามพระโมฆลลานะโมฆลลานะเธอคิดอย่างไรพระโมฆลลานะตอบว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกวนกวายน้อยต้องการประกอบสุขขวิหาธรรมในทิฏธรรมข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนภิกษุต่อไปก็เลยบอกใช่ได้คิดอย่างนี้ใช่ได้นั่นแสดงว่าผู้ที่เป็นพระราหารันแม้เลิศทางปัญญา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 อันนั้นแหละนะพระสัทธำมจะค่อยๆเสื่อมศูนไปจากโลกนะพระองค์จึงบอกว่าคําของพระองค์นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าก่อนปรินิพพานคําของพระองค์ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์พระเจ้าจะไม่ยอมปรินิพพานะและพระองค์ก็ยังได้ตรัสไว้ในอปริหานิยธรรมข้อที่สคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมถ้าทําอย่างนี้แล้วจะไม่เสื่อม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 ศึกษาไปนะอ่านไปปฏิบัติไปตามคำของพระตถาคตฏก็เชื่อได้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจคำของพระถถาคตและนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แน่นอน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 สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจสุขทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึง่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็สนี้กับมหาปัตถพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตถพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคือ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 มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะภิกษุณีผู้สาวิกาของเราบรรลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายได้กระทําให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองอไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่ส0 0ร้อยไม่ใช่ห้าร้มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นขรือหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมจันเป็นโอปปาติกะสัตว์มีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสัญญอ์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นขฤรือหัสนุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาท มีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไรเป็นผู้ปราศจากความครั่นคล้ามไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติ ร, รม a j a ์ในศาสนาของพระาศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะ อุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคืหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะสัตว์มีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสันโยต์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่โดยมากกว่ามากเป็นแท้วัชชาอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคฤหัสถ์นุ่งขาวยังบริโภคการรมเป็นผู้ทำตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรนี่อะไร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 เมื่อได้ยินคำของพระศาสดาก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไดนะ้คำว่าเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตตก็คือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานโดยใช้สมาธิบ้างโดยใช้ปัญญาบ้างเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตติก็ล้วนแต่ต้องใช้